สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปท า, าสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทายพระมาจโลกาธิปติสหัมปติการอัญเชลีอันทิวังอายาจธาสันติธาสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง นะโมะะตัตสสะภควะโตอรหะโตสัมม า, ส, า, ส, า, ส, มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังอารมุตตะมันติ วันนี้นับเป็นวันหนึ่งตั้งแต่องค์หลวงตาของพวกเราที่รักเคารพในละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมเวลาตี3 53นาทีมาถึงวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554 เป็นเวลา21วันที่หลวงตาละสังขารจากพวกเราทั้งหลายวันนี้ทุนกระหม่อมได้มาร่วมสวดมนต์และร่วมทอดผ้าบังสกุลในองค์หลวงตาเมื่อวานก็ครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็จะได ทอดผ้าบางสกุลกับคณะพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมทอดผ้าบางสกุลกระองค์หลวงตามาจากจารกตูรทิทศเพราะพวกเรามีเวลาน้อยจะได้พระราชทานเพลิงวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช2554้าห้าสบี่ นับจากวันนี้ไปก็ยังเหลือไม่กี่วันขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมพระราชทานเพลิงศพในวันนั้นก็คงจะพี่น้องประชาชนคงจะมากอาตมาภาพได้กล่าวเมื่อเช้าเนีว่าถึงยังไงพวกเรามาด้วยน้ำใจมาด้วยใจถึงจะยากลำบากเราก็ต้อง มากราบมาไหว้มาทาศั ก, กระในศีระขององค์ท่านถ้าหากว่าพวกเราไม่มาก็เป็นนั้นว่าจบไปองค์หลวงตาก็คงไม่ได้พระราชทานเพลิงอีกเป็นครั้งที่สองครั้งนี้เพียงครั้งเดียวในชาตินี้แต่องค์ท่านท่านก็เคยประกาศให้แก่พวกเรา ที่เป็นสิทธิญานุสิทธ์ได้ทราบว่าท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านประกาศให้แก่พวกเราได้ฟังในธรรมเทศนาของท่านบัดนี้พวกเราคณะสิทธิญานุสิทธิ์ก็ควรจะเข้ามาร่วมกันร่วมพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพในองค์หลวงตา เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายสุดท้ายทุกอย่างด้วยหลวงตาชาตินี้ก่อนนี่แหละพวกเราได้พระราชทานเพิ่มแต่ท่านออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะนั้นคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ที่ใดก็ตามขอให้มาร่วมช่วยกันวันนั้นให้สาเร็จตูร่วงถึงจะยากลาบาก พวกเราก็มาด้วยน้ําใจมาด้วยใจจริงก็คงจะไม่ลําบากถ้ามาด้วยศรัทธาถ้ามาหวังความสะดวกสบายก็คงจะไม่สะดวกสบายในวันนั้นอันนี้ก็ขอประกาศให้แก่คณะทายาิโยมทุ ก, ท, กทุกท่านได้รับทราบวันนี้อาตมาภาพจะได้นําพุทธประวัติบางส่วน ที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาอาตมาภาพก็ได้ยินธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าปรงสังขารในวันเดือนสามเพนให้ไวัด อ, อีกจากนี้ไปอีกสามเดือนเราเจ้าจะปรินิพพานต่ามานับดูแล้วก็มันวันมาฆะบูชาและก็วันวิสาขบูชาก็เป็นสมเดือนพอดี เนี่ยตมาภาพเพิ่งมาทราบเมื่อคืนนี้เหมือนกันเพราะนั้นการฟังธรรมผู้ฟังย่อมได้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเหตุให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสในการฟังธรรม แต่วันเมื่อคืนนี้อาตมาภาพก็ได้ทราบว่าลุงตาพูดเออจุดนี้เราอาตมาภาพเองก็ไม่ได้คิดเพิ่มมาเพิ่งมาทราบเมื่อคืนนี้เองว่าพระพุทธองค์ปองสังขารวันเดือนสามเพนเมื่อพระพุทธองค์ปองสังขารแล้วแผ่นดินสะท้านหวั่นไหวเพราะว่าพระพุทธองค์อายุเข้าแปจิตพระอานนท์เมื่อได้ทราบข่าว ก็ไปรัตนาขอให้พระ อ, องค์อยู่ไปอีกแต่พระ อ, องค์บอกว่าเราพอแล้วพยามานมานิมนต์แล้วอันนี้พูดอย่างรวบรัดจากนั้นพระพุทธองค์ก็เดินโปรดเวน ย, ยศสัตว์ในละแวกนั้นนั้นพระ อ, องค์ก็เดินด้วยเท้าเปล่าเดินทางที่ไปสู่เมืองกุชินารามันลักษัตริย์พอไปถึงจุดหนึ่ง พระพุทธองค์คงจะเหนื่อย เ, ออเพราะว่าในวันนั้นก็พอฉันอาหารที่บ้านนายจุนทะกัมมันบุตรอาหารเป็นพิษทําไมพระพุทธองค์จึงฉันอาหารที่เป็นพิษพอนายจุนทะเอานําอาหารเข้ามาถวาย พ, พระพุทธองค์ก็ฉันพอฉันเฉพาะแล้วก็ให้เอาไปฝังดินไม่ให้ภิกษุองค์อื่นฉันอันน พ, บพบระพุทธองค์รู้ว่า การฉันในครั้งนี้เป็นอาหารมื้อสุดท้ายเราจะต้องขอที่นี่ผ่านแล้วแต่ไม่ให้องค์อื่นฉันองคอื่นฉันจะเป็นพิษแต่พระองค์คงจะรู้แก่พระไทยพระองค์ว่าพระองค์คงจะทํากล้มสิ่งไหนไว้อันนี้ในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้บอกชัดเจนท่านคงมีกล้ำในจุดนั้นท่านจึงได้สวามนั้นอย่างที่อาตมาภาพได้พูดว่า ถึงจะมีอภินิหารก็ไม่เหนือกลัมกลัมเหนือกว่าอภิเนิหารพระโมคคลาท่านห่อเหินเดินฟ้าได้ผลที่สุดก็ถูกโจนฆ่าเพราะเหตุใดเพราะว่ากลัมที่ท่านกระทําไว้ในอดีตท่านได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านในอดีตกลัมนั้นตามสนองมาคราวนี้มาพูดถึงพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าได้เสวยอาหาร ของนายจุนทกกัมมันบุตรในวันนั้นทําไมพระพุทธองค์ไม่รู้หรือว่าอาหารจะเป็นพิษพวกเราก็คงจะคิดอย่างนั้นแต่พระพองค์คงรู้แต่พระองค์ต้องยอมรับกรรมที่พระองค์ได้กระทําพระองค์เสวยเสร็จแล้วก็เอาเศษฐานเอาไปฝังดินทั้งหมดไม่ให้องค์อื่นฉันจากนั้นอาหารก็เป็นพิษแต่พระพุทธองค์ก็สั่งพระอานุ์ว่า อโน์ให้ไปบอกจุนทะาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะพิตกกังวลว่าเมื่อเราฉันอาหารเขาแล้วเราปรินิพานให้ไปบอกเขาด้วยว่าอาหารจุนท่กรรมานบุตรเนี่ยจุนท่าเนี่ยมีอเนกสงฆ์มากเหมือนกับานางจุชาดาถวายอาหารวันแรกที่เราได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่เมื่อเราฉันอาหารนายจุนท่าแล้วนายจุนท่าจะได้บุญมากเหมือนกับ นางจุชาดาบอกเขาด้วยนะเพื่อไม่ให้เขาเสียใจอันนี้พระองค์ถึงมีเมตตาถึงขนาดนั้นถ้าว่านายจุนทะทราบว่าพระพุทธองค์ฉันอาหารของตัวเองแล้วพระพุทธองค์ไปปรินิพานจุนทะจะเสียใจขนาดไหนอันนี้พระองค์ก็บอกไว้อย่างนั้นนายจุนทะก็ชื่นใจขึ้นมาเพราะเป็นคาพูดก็เป็นคาสั่งของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพูดหนึ่งไม่มีสอง พระพระองค์ตรัสยังไงต้องเป็นอย่างนั้นจากน้ําพระองค์ก็ด้วยอาหารเป็นพิษถ่ายเป็นเลือดเดินไปตามทางพอไปถึงฝั่งแม่น้ำกักกุทันทีแล้วก็ให้พระอานนท์ราชสังคาติเป็นสี่ชั้นพระพุทธองค์ก็ขึ้นไปพักผ่อนก็สั่งพระอานนท์ว่าอานนท์ไปนําน้ํามาให้เราเดิมเราก็หายมากพระพุทธองค์ก็กระหายเหมือนกัน แ ต, แต่ใจของพระ อ, องค์พระไทยของพระ อ, องค์นั้นใจอันบริสุทธิ์นั้นท่านไม่มีอะไรแต่ร่างกายเนี่ยมันหิวเหมือนกับพระ อ, องค์อิ่มอยู่แล้วเหมือนกับโซเฟอร์อิ่มอยู่แล้วแต่รถเนี่ยมันไปไม่ไหวมันขาดน้ําหม่อน้ํามันแห้งนี่พระพุ อ, องค์ก็สั่งว่าอานน์ไปเอาน้ํามาเติมรถถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังแบบง่า ย, ายๆก็คงจะลักษณะอย่างนั้น พระอา น, นุ์ก็เดินเอาบาทไม่มีกระป๋องอย่างอื่นนําบาทของพระพุทธองค์ไปเห็นแม่น้ําน้ําขุ่นเพราะกวนห้าร้อเยเล่มผ่านไปทางเหนือน้ําไหลมาจากทางเหนือลงมาข้างล่างน้ําขุ่ออนพระอานุ์ก็เห็นโอโ้จะเอาน้ําขุนขุนไปถวาย พ, พระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระอา น, นุ์ก็เดินกลับมาพอกลับมาด้วยบาทเปล่า พระพุทธองค์ก็ถามว่าทําไมอานนท์จึงไม่ น, ำนํำมามาอานนท์ก็ว่าโอ้ห้ําขุ่นมากพระเจ้าค่ะไม่น่าสวยเลยข้าพระองค์ไม่กล้าเอานํามาพระพุทธองค์บอกว่าอานนท์เอามามาเถอะน ะ, ะเราก็หายใชเราก็หายนะ้ําเป็นตักมาเถอะอานนท์ก็เดินกลับไปด้วยความจําใจและจําเป็นพระอานนท์ก็อายุแปดสิปีเท่ากับพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็อายุ80พระอ น, นุ์ก็อายุ80เหมือนกันแต่ใ น, นพระอนุ น, น์ก็เดินลงไปกัคงจะ응กวาดหน้าน้ําเสร็จแล้วพระอนุ น, นเขาบาดตักน้ําพอตักขึ้นมาน้ํากลับใสพรันในขณะที่น้ําอยู่ในบาดพระอนุนมองน้ําในบาดแล้วมันต่างกันกันกบน้ําอยู่ในคลอ ง, องก็เลยแปลกพระไทยโอ้บุญเนี่ย สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสั่งสมน้ำในแม่น้ำคุณคุนแต่พอตักขึ้นมาแล้วน้ำใสแจ๋วอยู่ในบาตรพานนุลก็มีความปีติอย่างมากก็นําบาตรนําน้ํามาถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ดื่มน้ำพระอนุลก็ได้บรรยายว่าเมื่อข่าพระองค์ไปตักน้ําน้ําขุ่นแต่พอตักขึ้นมาแล้วน้ําใสพระเจ้าขาดพระองค์ก็รู้โดยในไม่ได้ตรัสกล่าวในช่วงนั้น แต่ในพระใจปิดกช่วงต่อมา พ, พระองค์บอกว่าพระองค์เคยนําวัวไปดื่มน้ําขุ่นตั้งที่น้ำใสมีอยู่แต่มันอยู่ไกลไปหน่อยแต่ น, นี่ก็บังคับให้วัวกินน้ําขุนนั่นแหละกลัมของเราเราจะต้องได้ใช้อันนี้ก็คือในหลักของพระุทธศาสนาเนี่คือกลัมคือการกระทําเป็นหลักใหญ่จากนั้นพระองค์ก็ได้เดินข้ามแม่น้ํา ไปสู่เมืองกุชินาราพอไปถึงแล้วก็ถึงสวนมันลลกษัตริย์พระอานน์ก็ได้ลาดสังคาติพระสงฆ์ห้าร้อยร้อมรอบเนี่ยอยู่สันทาคารน่ก็คงจะเป็นอาคารอยู่ในสว น, นจากนั้นก็มีต้นรังทั้งคู่ในระหว่างต้นรงังทั้งสีสะทั้งปลายเท้าพระโอนผินพระพัก ไปทางทิศเหนือหันสเสบเซียนไปทางทิศ ต, ตะวันออกจากนั้นพระองค์ก็นอนพักเปลี่ยนนา น, นอนพักอยู่ที่นั่นจากนั้นก็ได้สั่งเสียหลายแนวว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วเรื่องพขบวนัยเล็กน้อยถ่ายกระลือถอนก็ให้ลื้อถอนได้หรือให้ลงกรมพระทันแก่พระชนะ และให้ปฏิบัติต่อจตตรีเพศอย่างไรเมื่อเราเป็นพระอย่างนี้หลายๆอย่างที่พระองค์ได้สั่งในก่อนที่จะปรินิพานจากนั้นมีพระที่เข้ามาถามปัญหาองค์สุดท้ายพระองค์ก็ได้เทศสนาให้ฟังองค์นั้นก็ได้ปฏิบัติในวันนั้นได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้น เป็นอว่าในคืนวันที่พระพุทธองค์จะปฏิเนพานเป็นคืนที่ฉุกคระหมมากทีเดียวจนถึงพระารนนท์ที่เป็นพระพุทธอุปถากร น, น้อยอกน้อยใจเหมือนกันว่าเราอายุ8ปปีติดตามพระพุทธเจ้าเหมือนเราตามองค์พระพุทธองค์ไปที่ไหนก็ต้องเห็นพระารนนท์แต่บัดนี้พระพุทธเจ้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้จากไปเสียแล้ว ข้าพระ อ, องค์ได้เป็นแต่เพียงพระโสดาบันยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอระหรันนิพระรนน์ก็น้อยใจว่าปฏิบัติพระองค์มาเป็นเวลานมนานได้จําพระพุทธทวจนะมากมายในจดจําเรื่องราวต่างๆอยู่กับพระอานุทั้งหมดแต่พระอานน์ได้สําเร็จเป็นเพียงพระโสดาบันยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอระหรัน พระพุทธองค์ก็ได้สั่งเสียเรื่องต่างๆไว้กับอาโนนเป็นเป็นอย่างมากจากนั้นพระอานน์ก็ออกไปข้างนอกด้วยความเสียพระไทยคือไม่อยากจะให้พระพุทธองค์เห็นเห็นน้ําตานองหน้าแท้งที่อายุ80ปีท่านก็เดินออกไปไปครอบไปยืนร้องให้อยู่ห่างจากที่พระพุทธองค์ที่บรรทมอยู่ในจุดนั้นพระพุทธองค์ก็ถามพระอานน์ไปไหน พระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระอานนุ์ไปร้องไห้อยู่ที่ลูกกรงไอชันถาคารนะ่ะร้องไห้อยู่พระเจ้าข่าพะพุทธองค์ก็บอกว่าไปตามพระอานนุ์มาพระสงฆ์ก็ไปตามพระอานุ์มาเพระาพระาราพระพุทธองค์บอกว่าอานุ์เธอปฏิบัติเราตถาคตนั้นปฏิบัติด้วยความศรัทธาเราไม่ได้ตําหนิอะไรทักอย่างในอานุ์ปฏิบัติเรามาเป็นระยะเ ว, เวลายาวนาน แต่เอาเธอเธอยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่จากนี้ไปอีกสามเดือนอีกสเดือนเธอจะได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ทันที่สั่งเสียพระอนุ์เอาไว้จากนั้นพระ อ, องค์ก็พักนอนพอจวนจะสว่างวันเดือนเหเพ็่นพระองค์ก็ทำการปริญญิพานจวนสว่าง ก่อนที่พระองค์จะไินิพพานพระองค์เข้าฌานปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจะตุทัฌานคือรูปฌานและอรูปฌานฌานที่ยว4คือรูปฌานและก็ถึงฌานที่เจคืออรูปฌานเมื่อพระองค์เข้าฌานพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นทั้ง500องค์นั่งเฝ้าด้วยการกจิตใจจดจ่อ ก็ไม่รู้ว่าพระองค์ปรินิพานหรื อ, อยังเพอาหายเงียบก็พระอนุรุทธะที่ได้รับเอธะตคะจากพระพุทธเจา้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ว่าเป็นผู้รู้วรจิตของผู้อื่นได้ใว่าใครคิดเรื่องอะไรพระอนุอนรุทธะนี่รู้ทั้งหมดได้รับเอธะตคะจากพระพุทธเจา้า พระสงฆ์งหลายก็ถามพระ อ, อนุรุทว่าขณะนี้พระพุทธองค์ปรินิพานหรือยัพระอนุรุทว่าขณะนี้พระจิตของพระพุทธองค์อยู่ในฌานนั้นอยู่ในฌานนั้นอยู่ในฌานนั้นไปถึงฌานที่เจดจนถึงฌานที่ว่าอาจินจัญญาิยตนะฌานจากนั้นก็กลับลงมาอีกลงมาถึงปฐมฌ า, านพระ อ, อนุรท ธ, ธก็ตามพระจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด ว่าพระพุองค์จะปรินิพานในช่วงไหนจากนั้นพอถึงฌานที่สี่กับฌานที่หคือลูก ป, ประฌานและลูก ป, ประฌานระหว่างที่สกับที่หพระพุทธองค์ดับขันปรินิพานในช่วงฌานสองฌานต่อกันระหว่างกันไม่ได้ปรินิพานอยู่ในฌานใดฌานหนึ่งปรินิพานในฌานฌานที่สี่และฌานที่หพระอนุรถถุทธะตอบว่าพระพุทธองค์ปรินิพานแล้ว หมดแล้วไม่มีตามไม่ถึงแล้วอันนี้คือปรินิพานก่อนที่จะปรินิพานพระอานุ์ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจา้าข้าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วจะให้พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรต่อพระศีระของพระพุทธองค์พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนุ์เรื่องศีระของเราตถาคต พระสงไม่ต้องเกี่ยวไปให้เป็นหน้าที่ของมันรักษ์เขาจะจัดการพวกเธอทั้งหลายให้บำ เ, เพ็ญเผากิเลสราคะโทสะโมหะออกไปจากใจของพวกท่านนั่นหละเพียงพอแล้วประเสริฐแล้วไม่ต้องมายุ่งกับศีรัต ถ, ถากตเนี่ยเพราะพระพ อ, องค์ท่านเด็ดเดียวถ้าจะเปรียบเทียบพระองค์หลวงตาของเรา็อเออ ไม่แพ้กันในจุดนี้ความเด็ดเดี่ยวของของของของตานะท่านให้เน้นเรื่องเรื่องภาวนามากกว่าซึ่งจะมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับศพกับเมนของท่านจากนั้นพระนร์กล้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจริงอยู่พระเจ้าค่ะให้มนุษ์กษัตริย์เขาจัดจัดการแต่เมื่อพระองค์พระสังขารไปแล้วมนุษ์กษัตริย์ก็จะมาถามข้าพระองค์ว่าจะจัดการอย่างไง พระศีระของพระพุทธองค์และจะให้ข้าพระองค์ตอบเขาว่าอย่งไรพระเจ้าข่าเมื่อเขาถามพระพุทธองค์ก็จํานนต่อหักเหตุผลเหมือนกันพระพธองค์บอกว่าอา น, นุนถ้าเมื่อเขาถามเมื่อถามพวกท่านให้พวกท่านตอบได้เลยว่าให้ปฏิบัติในศีระของเราตถาคตนั้นให้ปฏิบัติเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิท่นนี้ในยุคนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่มี แล้วพระอนนท์จะรู้ได้อย่างไรว่ปฏิบัติต่อพระเจ้าจักรพรรดนั้นทําอย่างไรพระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติต่อพระศีระของพระเจ้าจักรพรรดนั้นทําอย่างไรหนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตผู้ที่เกี่ยวข้องก็ชําระพระวรกายของพระเจ้าจักรพรรดิให้สะอาด จากนั้นขอเอาํำรีชุบด้วยน้ำหอมที่กลั่นร้อยครั้งที่หอมละเอียดเอาชํารีพันให้ทั่วแล้วเอาผ้าขาวล้อมรอบอีกรอบหนึ่งแล้วเอาํารีชุบด้วยน้ำหอมที่เป็นน้ำมันพันอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาผ้าขาวพันอีกครั้งหนึ่งทำอย่างนี้ถึงห้ารอยครั้งห้าร้อยชั้น จากนั้นก็ได้นําลงในรางเหล็กแล้วก็ปิดแล้วก็ประกอบด้วยเชิงตะกรก็คือเต็มด้วยไม้หอมนาน า, นานชนิดจากนั้นก็ถวายพระเพลิงพระเจ้าจักรพรรดิตอนนี้แหละที่พระอนุนที่ถอยออกไปแล้วไปร้องให้ที่ว่าจากนั้นพอพระองค์ปริณิพานแล้วมันลักษัตริย์ก็ถามจริงๆพระอนุนก็ได้ เราเรียนให้มันรักษัตริย์ซาบมันุษ์กษัตริย์เขาปฏิบัติตามนั้นแต่เมื่อเอาเข้าหีบรางเหล็กแล้วมันรักษัตริย์ก็จะจะถวายพระเิงในวันนั้นเลยพอจุดเข้าไปแล้วไฟไม่ไหม้พอจุดเข้าไปแล้วเหมือนกับเอาไฟจูเข้าไปในน้ำอย่างนั้นไฟไม่ไหม้คือเทวดาไม่ให้ไฟไหม้เทวดานี่มองไม่เห็นเออ แต่ว่ามันเข้าไปแล้วไฟดับจุดยังไงก็ไม่ไฟดับพระอนุรถ่าคือบอกว่ายังรอก่อนขณะนี้พระมหากัจจปะกับพระสงฆ์กําลังเดินทางกจะเข้ามากราบพระศีรษะของพระพุทธองค์ยังมาไม่ถึงพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรอก่อนคือพระมหากัจจปะเถระที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านยังไปเที่ยวธุ่งอยู่ในป่าพอ วันที่พุทธองค์ปรินิพานแผ่นดินก็หวันไหวแลว้วกระดอกบนทาตกลงมาจากสวรรค์ไม่เคยมีมาก่อนดอกไม้ใหญ่ตกลงมาบนอากาศพระมหากัจจปท่านก็โอ้พอพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วเนี่จากนั้นท่านก็บอกกับพระสงฆ์ห้าร้อยที่เป็นบริวารของท่านเดินทางกว่าจะมาถึงเมืองกุชาราก็ใช้เวลาเจวันพอมาถึงแล้ว พระมหากคตปะก็เข้าไปกราบแต่คงจะเป็นเทวดาเปิดรางเหล็กพระมหากคสปะเข้าไปกราบจากนั้นก็เอาศีรษะของพระมหากคตปะไปเฉยบลงที่ฝาพระบาทของพระพุทธทเจ้าจากนั้นก็ถอยออกมาพอถอยออกมาเท่านั้นไฟทิพย์เกิดเองเลยโดยมนุษย์ไม่ต้องจุดจากนั้นก็ เป็นการประชุมเพลิงแต่ว่าในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าลูกศิษย์ของพระมหากรัจปะที่บวชภายแก่คื่อชุพัทธะอะไรนี่แหละท่านก็กล่าวขึ้นมาในหมู่ในคณะที่ว่าตัวเองฉลาดแนหะกล่าวขึ้นมาว่าพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระโสดาบันที่เป็นพระพุทุชนเหนือเมื่อพระองค์รินิพานท่านก็ร้องห h o ร้องให้ ว่าโอ้ข้าพเจ้านะ่ยยังไม่ได้สําเร็จมักสําเร็จผลเราเพียงจะเดินได้เท่านั้นเองก็พีเลี้ยงก็จากไปจากนั้นเราจะใหญ่ได้อย่างไรเราจะรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไรอันนี้คือพระที่เป็นพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่แต่พระอเสขะคือพระอรหรอันต์อนั้นทท่านไม่ท่านไม่เสียอกเสียใจเพราะท่านถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้ว แต่พระที่เป็นเสขาผู้ยังต้องศึกษาอยู่ก็มีน้ําตานองหน้ากันท่วนหน้าเพราะจำลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่มีพระองค์หนึ่งพูดมาในถ้ำกลางบอกว่าพวกท่านจะเสียใจทําไมเมื่อพระพุทธเจ้าจากไปแล้วก็ดีแล้วเนะี่ยตายไปแล้วก็ดีแล้วในเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะห้ามว่า ไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ควรทําอย่างนี้อันนั่นผิดอันนี้ถูกแล้วก็ปรับอาบัตแล้วก็ปรับโทษแล้วก็ตําหนิโมฆะภิสูตโมฆะบุรุษทําไมทําอย่างนั้นเรื่องอย่างนั้นมันเสียหายอันนี้คือพระพุทธองค์ท่านจะพูดตรัสบ่อยครั้งมากเพราะพระพุทธองค์เป็นหัวหน้าสิ่งไหนที่ผิดพระพองค์ก็บัญญัติวิ น, นัยแล้วก็ประนามพระองค์ที่กระทาผิดนั้นอย่างหนัก อันนี้คือพระบางองค์ก็ใกล้เข้ากกิเลสอยู่ในใจต่อสู้พระพุทธเจ้าก็ไม่พอใจนี่พระองค์ก็บอกว่าไม่ควรจะกระทำแตพ่พระองค์นี้พอพระองค์ปฏินิพพานแล้วพระองค์นี้ก็บอกว่าพระองค์ตายไปก็ดีแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราจะทําอะไรก็ทําแบบสบายไม่ต้องมีใครดุด่าว่ากล่าวนี่แหละคํานี้แหละ ไปได้ยินถึงพระมหากัสจปถรักที่เป็นอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ในยุคนั้นท่านบอกโอ้ถ้าหากว่ามีผู้กล่าวอย่างนี้มากๆใน่ามกลางสงฆ์องค์ที่ย่อหย้อนในพระพินัยผู้หนักไปทางโลกเขาก็จะยืดเป็นแนวแถวเพราะฉนั้นเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วควรจะทำสังคายนาคือทำให้ธรรมพินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหม อย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วธรรมและวิญญาณนั่นแหลจะเป็นศาสดาเป็นเป็นผู้สอนพวกท่านทั้งหลายแทนเราตถาคตธรรมและวิญญาณ ย, ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้คือพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วพระมหากัสปจะรวมกันจังคายนาให้มันเป็นหมวดหมู่ ในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เข้มแข็งให้เป็นกฎระเบียบเพื่อปกครองสงต่อมาอันนี้ก็คือพร ะ, พระอนุรุปพระมหากัตตปะท่านรับทราบในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะเทือนใจของพระมหากัสตปะเป็นอย่างมากที่พระองค์นั้นพูดขึ้นมาโดยที่ว่าพระองค์ก็ตายไปแล้วพอดีแล้วเราจะทําสิ่งไหนก็ทําได้ต่อไปเนี่ยอากนั้น พอถึงวันรุ่งขึ้นพอทราบข่าวไปทุกหุนและแหงว่าพระองค์ปรินิพานแล้วอยู่ที่กุกชิตนาราต่างหัวเมืองก็ยกพลพักเข้ามาทีร้อมรอบกุงกุศิตนารามีกุงรัชจะคือกุงสวัสถีสาเกตโกสัมพีในละแวกนั้นแปลว่ายกทัพเข้ามาเพื่อขออธิธาตของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปปดิสถานไปกราบไปไหว้ในเมืองของตน แต่นี้ทางเมืองกุศินาราเนี่ยเป็นเมืองเล็กเอ่อไม่ยอมไม่ยอมเพราะพระองค์มาปฏิเนปานในเมืองของข้าแปลว่าท่านก็มอบในความไว้วางใจหรือมอบร่างกายให้แก่ข้าแล้วใครจะมาอืมใครจะมาเอาไม่ได้เนื่อเพราะว่าพระองค์มอบไปแล้วเป็นสิทธิ์ของข้าเป็นสิทธิ์ของเราอยู่ในเมืองของเราพระเจ้าเป็นดินในหัวเมืองต่างๆยกขบวนช้างม้าเข้าไปล้อมรอบ ให้จะแบ่งก็ไม่แบ่งถ้าไม่แบ่งก็ว่าถล่มกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะไปสั่งสอนพี่น้องประชาชนจนพวกเรานับถือเรื่อมใสยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งพวกเจ้าจะไม่ปล่อยไม่ไม่แบ่งไม่ได้เด็กขาดอันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่นี่มาย้อนถามว่าพระธรมอัยพระองค์จึงไปปรินิพานในเมืองกุศินาราโบราณาจารย์ ที่ท่านให้เหตุผลว่าแต่ถ้าว่าพระองค์ไปปริเนพานในกรุงราชคฤห์หรือกรุงสาวัตถีที่เมืองใหญ่ที่มีพลพักทหารมากถ้าหากว่าพระองค์ปฏิเนปานในเมืองนั้นพวกทหาร응ในเมืองนั้นก็จะเข้มแข็งประเทศไหนจะเข้ามาเขาก็จะไม่กลัวประเทศไหนทั้งหมดจะไม่มีการแบ่งพระปรรมสารีนิกธาตุของพระพุทธเจ้า แต่ที่เมื่อพระองค์มาปรินิพานที่กุศลนาราเป็นเมืองเล็กเพราะฉะนั้นเมืองใหญ่ต้องใช้กําลังเข้าไปบีบพอเข้าไปบีบแล้วก็จะต้องได้แบ่งแบ่งปันไปทุกหัวเมืองพระพุทธองค์ท่านทิศไว้ไกลในช่วงนั้นพระอานนท์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ขอให้ไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆจึงสมพระเกียรติของพระพุทธเจ้า ทำไมพระพธองค์จะมาปริญญาพานในเมืองเล็กๆ เ, เมืองสุดท้ายปลายแดนเมืองกุศินาราเมืองเล็กๆพระพุทธองค์บอกว่าเมืองกุศินารานิจกรณ์เป็นราชธานีนระาอันนลพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อมัณาตุราชเคยมาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่นี่หลายยุคหลายสมัยเป็นเมืองใหญ่มาก่อนแล้วแต่คราวนี้เขาเป็นเมืองเล็กเมืองกุศินาราได้พระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเจ้า เจ้าใครเป็นคนแบ่งเขาก็มอบให้ตกโ ต, กตกทายาพามมาเละหลวงพ่อจำไม่ชัดในะจุดนี้นะแต่ว่าเป็นพรามใหญ่ของเมืองกุสินารานั่นแหละเป็นที่นับถือของคนหรือ ว, ว่าเป็นพรามของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นพรามของมันลัชศัตริย์คือปกครองแบบมันรัชศัตริย์คือปกครองแบบสติสวีห้าร้อมันรัชศัตริย์จากนั้นเขาก็มอบให้พราม เป็นคู่แจกแบ่งพระธาตุพระพรหมธาตุของพระพุทธจเจ้าพลามตอนนั้นก็เอาใส่ในโถพอโถขึ้นมาแล้วก็ อ, อันนี้เมืองพระราณสีมากก็เอาให้เนี่ยารา จ, จคือมากแบ่งให้สาเกตมาแบ่งให้โกจัมพีมาแบ่งให้แต่พรามแบ่งแบ่งพระธาตุของพระพุทธเจา้ามันเกิดทุกยุคทุกสมัยนะคนขี้โลภนะ พรามณ์นั่นก็ไปเห็นไอ้เขี้ยวเขี่ยวของพระพุทธเจา้าพระเขี่ยวแก้วของพระพุทธเจา้าพวกมันสวยงามเลยเดี๋ยวคนอื่นจะเอาเขาก็เลยหยิบพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจา้ามาใส่ในมุ้ยผมของเขาณนะในพระไตรปิฎกนะซ่อนเอาไวข้ขโมยขโมยพระเขี่ยวแก้วของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็ส่วนอื่นก็แบ่งให้แบ่งให้ ผลในสุดกับเมืองเล็กเมืองน้อยก็แบ่งกันหมดผลในสุดก็ความความไม่ขันให้ดูนะนี่แหละมีเท่านี้แหละความวนะหมดนะที่นี่นะแต่เมืองตัวเองก็คงจะแบ่งให้เป็นเหมือนกันคือแสดงความบริสุทธิ์ว่าผู้แบ่งในบริสุทธ์นะไม่มีอะไรนะแต่ที่แท้ก็เก็บพ้าเชี่ยวแก้วไว้ที่มุ้ยผมผลในสุดพระอินทร์อยู่บนสวรรค์มองเห็นนี่ท่านนี่ความเลยไม่ซื่อวะพระอินทร์ไม่ีอะ ขมายพระเขียวแก้วของพระพุทธเจ้าจากมุ้ยผมของพรามอีกทีเอ่อเอาขึ้นไปบรรจุไว้ที่พระธาตุเกศแก้วจุนรมณีเอออันนี้คือพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้จากนั้นพรามพอเสร็จแล้วก็คัมคัมดูมุ้ยผมของตนเองที่เก็บพระเขียวแก้วเอาไว้หายทีนี้แหม่ผลที่สุดพรามก็เลยกระโดดลงไปกวาดเอาฝุ่น ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนทั้งหลายนี่แหละคือจากนั้นมาพูดที่ได้พระธาตุของพระพุทธเจ้ามาแล้วมาถึงเมืองตัวเองก็ได้ก่อพระเจดีย์ในทางสีแพร่งอยู่ในสถานที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆวัดที่ไหนที่เป็นที่เหมาะสมสูงส่งเขาก่อพระเจดีย์ขึ้นมา จากนั้นก็บรรจุพอภรรมส า, ารีาทิ่พรธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชานี่แหละพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าการที่จะนําพระธาตุไปบรรจุนั้นมีอยู่สี่จำพวกเรียกว่าถูปรหาบุคคลถูปารหาบุคคลสี่จำพวกคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุพระปัจเ พ, พุฏิเจ้า พระาธาตุของพระอาหารหันตสาวกกระดูกอติธาตุของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ดยังมีกลุ่มเดียวที่ยังมีกิเลสอยู่ก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ทําไมจึงให้ไปสร้างสถูปและเจดีย์ให้คนกราบไหว้สักการบูชาในเหตุผลเพระพระองค์ท่านก็ตรัสไว้ว่าถ้าหากพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้ทรงศีลปกครองโดยธรรม ในยุคใดพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดขึ้นแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุขไม่มีขโมยโพโจในยุคสมัยนั้นในเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิสวรรคตแล้วก็ควรจะสร้างสะทุกและเจดีย์ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปกราบไปไหว้เมื่อไปกราบไปไหว้พระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็บอกเออพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นคนดีปกครองโดยธรรมร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ หรือให้ได้เป็นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยเทินเขาเหล่านั้นจะเป็นคนดีเขาจะไม่เป็นคนชั่วเขาจะเป็นผู้มีศีลธรรมในใจของเขาถ้าว่าคนไปกราบไปไหว้และลึกถึงพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเขาจะเป็นคนดีต่อนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ากนดีพร่อปเจียพุทธเจ้ากนดีพระอรหันตสาวกคนดีท่านเหล่านี้เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้ว ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสัตว์และเจดีย์เพื่อเป็นการเชิดชูบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่หลวงตาของเราก็เคยพูดไม่ใช่แบบขบเกีดตายที่ไหนจะไปสร้างเจดีย์ไม่ได้นะอันนี้พวกเรางคงได้ยินอันนี้หลวงตาของพวกเราสมควรอย่างยิ่งที่จะมีสัตว์และเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะเพื่อ ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเราได้มากราบมาไหว้พระเจดีย์ขององค์หลวงตาจากนั้นเราก็เดล้ำลึกถึงพระคุณของหลวงตาธรรมเทศนาของหลวงตาแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราจะเป็นคนดีก็อยู่ในศีลในธรรมประเทศชาติบ้านเมืองโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนมีศีลมีธรรมในสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพร ะ, ะเจดีย์ต่อไปในอนาคต อาตมาภาพมีความเห็นอย่างนั้นแต่ประสุนแท้แต่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าจะมีความเห็นพล้องต้องกันอย่างไรอันนี้เพียงแต่ว่าหนึ่งพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านดำเนินอย่างไรในพระไตรปิฎกท่านก็ได้บอกได้กล่าวมายอย่างที่พวกเราได้กราบได้ไหว้พระบรมสารีทิกทาธาตุของพระพุทธเจ้า ใ น, ในองค์หลวงตาของพวกเราก็เหมือนกันถว่าพวกเราเมื่อไปชุมเพลิงพระราชทานเพลิงจบแล้วพวกเราจะเอาอธิธาตองค์หลวงตาในส่วนไหนหรืออัตบบริขารขององค์หลวงตาอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่สิทธิอนุสิทธตทุกหมู่ทุกเหล่าหันหน้ากอหากันจากนั้นก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปในธรรมคําสอนขององค์หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุเสียงธรรม อันนี้คือเสียงลงตาชัดๆทั้งวาพวกเราช่วยกันรักษาก็คือธรรมเทศนาล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่ท่านเมตตามอบให้แก่พวกเราสรุปแล้วลงตาของเราเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ำใจสงเคราะห์โลกมองดูแล้วในยุค ป, ปัจจุบันนี้ที่ธรมภาพมีอายุถึงขนาดนี้มองไม่เห็นองค์ไหน ที่จะยจิ่งไปกว่างองหลวงตาอันนี้เธอหาว่าท่านผู้ใดพูดว่าโอ้หลวงพ่ออินเวอร์เกินไปยกย่องเกินไปหลวงพ่อยอมรับเพราะว่าหลวงพ่อมองดูแล้วการสงเคราะห์อนุเคราะห์ขององหลวงตาถ้าพวกเราได้เห็นกันทองคาเข้าคัางหลวง12ตันกว่าเกือบเข้า13าตันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาให้ใครมอบให้ใคร ให้แก่พี่น้องประชาชนคนทั้งชาติท่านล้งตาไปแล้วกระดูของท่านออกไปด้วยไม่ได้มีแต่ความบริสุทธ์ผุดผ่องท่านเองที่จะติดตามตัวของท่านไปนอกนั้นท่านมอบให้แก่พวกเราทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะัาธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าให้เป็นคนดีสรุปแล้วให้เป็นคนดีคนในชาติให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดี พวกเราได้รับการเรียนการศึกษามาสูงด้วยกันทุกคนปริญญาตรีโทเอกมีมากผู้เรียนรู้ทางศีลธรรมจริยธรรมก็มีมากเพราะนั้นให้พวกเราให้ฝืนกิเลสอย่าไปตามกิเลสสิ่งไหนที่มันชั่วช้าเสียหายอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิดอย่าไปทำทาในสิ่งที่ถูกต้องก็จะเป็นสิริเป็นมงคลต่อประเทศชาติ ต่อพระศาสนาต่อตัวของท่านเองต่อพวกเราเองแต่ว่าพวกเราทำตัวไม่ดีความหายยะก็จะเข้ามาสู่พวกเราอย่างอัตมาภาพขอยกคำพูดของคุณแม่ชีแก้วที่ท่านพูดว่าท่านพูดทันๆันโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาโรกหาสวรรค์ใส่ตัวเองก็ได้หาความช่วยช้าเสียหายใส่ตัวเองก็ได้ หาสวรรค์หานิพพานหาล่ําหารวยใส่ตัวเองก็ได้เพราะนั้นเราจะหาอะไรเข้ามาสู่ตัวของเราให้พวกเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้เราหาอะไรเข้าสู่ตัวของเราทั้งว่าพวกเราหาสิ่งชั่วช้าเสียหายเราก็หาความทุกข์เข้ามาตัวเองหาคุกหาตารางหานรกมาใส่ตัวเองถ้าว่าพวกเราคิดดูแล้วเราหาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่จิตใจของเรา เราก็หาสวรรค์ห า, น, านิพพานหาความสุขมาสู่ตัวเองท่านก็เลยพูดเป็นคำสั้นๆว่าโลกนี้โลกหาได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้สสแสวงหาแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีให้ปล่อยละวางและพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญ อาตมาภาพได้ยกเป็นพุทธภาสิตเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนันญาณังเอตมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาในองค์หลวงตาของพวกเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งดวงตาของเราปฏิบัติเบื้องต้นตามประวัติของท่านก็สวยงามท่ามกลางก็สวยงามบรนปลายชีวิตก็สวยงามมีแต่เกื้อกูลหนุนโลก เพราะนั้นพวกเราจึงบูชาพระคุณของหลวงตาด้วยความเคารพครวะอย่างยิ่งตามในที่อาตมภาพได้แสดงมาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนรัรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประสบแต่ความสุขความ เย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทินขอถวายพระพร